ถามเวลาเห็นคนอื่นมีเงินทำบุญเยอะๆแล้วอยากทำบ้างแต่ก็จนใจเพราะยากจนแม้ทราบว่าบุญอยู่ที่ใจให้น้อยก็ได้แต่คิดทุกทีว่าให้น้อยก็ได้น้อยจิตใจห่อเหี่ยวไม่ปลื้มบุญเลยไม่ทราบจะคิดอย่างไรให้กำลังใจเพิ่มขึ้นขอให้มองเป็นภาพรวมปไปเลยครับลองถามตัวเองเป็นข้อคอย่างนี้ 1. คุณชอบให้หรือไม่ชอบให้ ความชอบนั่นแหละคือใจจริงถ้าคุณมีใจจริงเป็นการให้อย่างไรจิตก็ต้องเปิดโลง่งต้องสว่างสวยไม่มีความตรณีอันเป็นเครื่องเศร้าหมองในปัจจุบันกับทั้งมีหลักประกันให้อยู่ดีมีสุขในอนาคตเพราะพพหรือภาวะแห่งชาติภูมิเกิดจากการสร้างของจิตเมื่อจิตชอบให้ก็ย่อมเคลื่อนเข้าไปอยู่ในภพของผู้มีสมบัติมากเพื่อจะให้ต่อได้อีกมากๆ 2. คุณให้เป็นประจำหรือนานๆให้ทีสมมุติว่ามีแมวจรจัดเข้ามาป้วนเปี้ยนเป็นขาประจำในบ้านเพียงคุณเจียดเงินวันละ5บาทเป็นค่าขนมแมวไปเรื่อยๆรวมหนึ่งปีแล้วจะไม่ใช่5คูณ365รอหกรอกนะครับเพราะชีวิตแมวหนึ่งปีซื้อไม่ได้ด้วยเงินเพียง2 0 0พบาทแต่ต้องกำลังกายกำลังใจเป็นจำนวน365ครั้งด้วย กำลังกายและกำลังใจทั้ง365ครั้งนั้นกู้ยืมมาจากธนาคารไหนๆไม่ได้ต้องผุดขึ้นจากศรัทธาในการทำทานสถานเดียวตัวตนใหม่และความสงบของใจในระยะยาวนั่นแหละคือรางวัลที่ได้รับจากการเสียสละอย่างสม่มเสมอฉะนั้นให้ไปเท่าไรไม่เห็นหน้าคำหนึ่งหันมาคำานึงเถอะว่า คุณได้ตัวตนใหม่และความสงบของใจเป็นเครื่องตอบแทนหรือเปล่าถ้าได้มาก็ขอจงจำไว้ว่าคุณได้มากกว่าให้ไปเกินจะนับเพราะสิ่งที่คุณให้นั้นเป็นสมบัติภายนอกแต่สิ่งที่ได้มาเป็นสมบัติภายในซึ่งอยู่ติดตัวตลอด24ชั่วโมงและจะเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ติดตามไปแม้กายนี้แตกทําลายลงแล้วครับ